เพศในวงปฏิบัติมันคอยจะเพศตกวางขวางให้เสียเวลาเวลา ม, มากมายเพศย่นลงมาในตุกสํำคัญน้าคัญเป็นเพศเร่วงทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้ า, ากาก็เป็นดินฟ้ า, ากากะวต่กวางขนาดไหนสิ่ง น, นั้นไม่เคยทุกข์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 ใน่าตในขันที่มันเป็นมีการกำจางมันมาไหม้ติดใจของเราใ้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดําเนินนิธีแก้ทุกวิธีรู้เท่าทุกวิธีถอนทุกไม่ให้ทุกคำทางในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทนานั้นเข้ามาเผารดนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายท่าสุขจิตนี้เป็นสาระอันสาคัญ น, นั่นนี้แต่มีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันเหรา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 แล้วมีทางที่จะลดพ้นไปได้ปัญญาเฉลียจะนาขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลต้นหุ้นต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเปน็นมาแล้วความตายจะไม่มีนั้นเป็นไปนไม่ได้เราทำแค่ในแบบนี้อย่านอนใจ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 ผู้มีอริยทรัพย์ผู้มีความจบชบอยู่ที่ใจการแสดงก็เห็นสมควรเป็นขอรู้สึกเพีเท่าน้น